ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องขออีกหนึ่งนาทีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อเจีย๊ยบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นทาอะไรชักช้าและค่อนข้างขี้เกียจตกทุกเชา้าเมื่อแม่เรียกให้ตื่นไปโรงเรียนเจี๊ยบจะงัวงเงีย บ, บอกว่าขออีกหนึ่งนาทีนะครับแม่พอลงมาข้างล่างแทนที่จะรีบกินข้ า, าวเช้าก็ไปเปิดโทรทัศน์นั่งดูการ์ตูน พอแม่เรียกที่มากินข้าวก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่ขออีกหนึ่งนาทีจนแม่เอ่ยปากว่าจะทําโทษนั่นแหละเจี๊ยบจึงจะมานั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารได้สักทีคอยดูเถิเจี๊ยบพอซึ่งมองลูกชายคนเดียวอย่างระอาพูดขึ้นสักวันแกจะต้องเจอเรื่องที่แม้หนึ่งนาทีก็ให้ไม่ได้ถ้าถึงวันนั้นแล้วแกจะรู้สึก การขอเวลาหนึ่งนาทีทำให้เจีย๊ยบไปโรงเรียนสายทุกวันเพราะการทำโทษให้วิ่งรอบสนามก็ไม่ได้ทำให้เจีย๊ยบจดจำเลยแม้แต่น้อยเขากล้าต่อรองเวลาแม้แต่กับครูไปเข้าห้องเรียนได้แล้วเจีย๊ยบ mm hmm. ครูร้องเตือนเมื่อเห็นเจีย๊ยบยังเดินเอ้อระเหายลอยชายอยู่ในสนามหญ้าทางทางที่อดอเรียกเข้าชั้นเรียนดังไปแล้วพักหนึ่งขออีกหนึ่งนาทีครับครูเจีย๊ยบบอกโดยไม่ทุกร้อน วันหนึ่งเป็นวันหยุดแม่บอกเจี๊ยบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะไปเยี่ยมยายที่บ้านสวนเจี๊ยบชอบบ้านสวนของยายจึงขอตามแม่ไปด้วยแต่พอรุ่งเช้าเจี๊ยบก็ตื่นสายไม่ว่าแม่จะขึ้นไปปลุกกี่ครั้งเจี๊ยบก็พูดว่าขออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนา ท, ออนนทีจนในที่สุดแม่ก็ตัดสินใจไปบ้านสวนของยายคนเดียวเพราะถ้าออกช้ากว่านั้นจะหารถโดยสารไปยากสักพัก เจียบก็เดินงัวงเงียลงมาจากห้องนอนเมื่อไม่เห็นแม่อยู่ในบ้านจึงถามพ่อว่าแม่ล่ะครับพ่อแม่ไปบ้านยายแล้วพ่อบอกอ้าวทำไมไม่รอผมแม่รอแกจนรอไม่ได้อีกแล้วรู้หรือเปล่าว่าแค่หนึ่งนาทีที่แกขอก็ทำให้แม่ตกรถได้นี่ยังไม่รู้เลยว่าแม่จะได้นั่งรถอะไรไป ถ้าโชคดีก็ได้ไปรถสายประจําแต่ถ้าไปไม่ทันก็ต้องขึ้นรถที่วิ่งเป็นทางผ่านแล้วรถสายนั้นนะ่ะขับอันตรายจะตายชักพ่อบ่นเจี๊ยบด้วยความเป็นห่วงแม่แหม่ไม่แย่ขนาดนั้นหรอกนะพ่อเจี๊ยบบอกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขณะที่เจี๊ยบกำลังอาบน้ำอยู่เขาก็ได้ยินเสียงพ่อร้องเอะอะอยู่ข้างล่างจึงรีบวิ่งลงมาดู หน้าของพ่อซีขาวราวกับกระดาษรถที่แม่นั่งประสบอุบัติเหตุแม่อาการสาหัสเราต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้พ่อพูดเสียงแตกพร่าเจียบตกใจจนหน้าซีดตามพ่อไปอีกคนเขารีบขึ้นไปแต่งตัวโดยไม่มีคำว่าขออีกหนึ่งนาทีเหมือนเช่นทุกครั้ง ทันทีที่สองพ่อลูกไปถึงโรงพยาบาลก็ช่วยกันตามหาแม่ในห้องฉุกเฉินมีคนเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้หลายคนนอนร้องโอดโออยู่บนเตียงพ่อกับเจีย๊ยบก็เดินเข้าไปดูหน้าคนเจ็บที่แต่ละเตียงด้วยความใจหายแล้วก็พบแม่นอนแน่นิ่งอยู่ที่เตียงในสดุดเลือดสีแดงไหลอาบอยู่เต็มหน้าแม่และพยาบาลกาลังจะเข็นแม่ไป แม่แม่เจี๊ยบร้องเรียกแม่เสียงดังลั่นน้ำตาเอ่อล้นทะลักบุรุษพยาบาลเข้ามากันเขาไว้เพราะเกรงว่าเขาจะกีดขวางทางรถเข็นแม่แม่ตื่นสิแม่ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ที่นี่เจี๊ยบยังคงร้องเรียกแม่ของเขาต่อไปและทุกตีบุรุษพยาบาลที่จับตัวเขาไว้ปล่อยผมผมจะไปหาแม่ พยาบาลคนหนึ่งหันมาบอกพ่อของเจีย๊ยบซึ่งยืนกุมมือแม่อยู่ว่าเราต้องพาภรรยาของคุณไปผ่าตัดด่วนเธอเสียเลือดไปมากจากอุบัติเหตุครั้งนี้คำพูดนั้นท่านพีเจี๊ยบรู้ทันทีว่าเขาจะไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกเดี <four th> ๋ยวครับขอเวลาให้ผมอยู่กับแม่สักหนึ่งนาทีได้โปรดให้ผมได้บอกแม่ว่าผมรักแม่ให้ผมได้กอดแม่อีกสักครั้ง เจี๊ยบร้องอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาแต่ไม่มีใครฟังเสียงของเด็กชายเจี๊ยบพยาบาลและผุรุษพยาบาลเข็นเตียงของแม่เข้าห้องผ่าตัดและหายไปในนั้นเป็นเวลานานก่อนที่แพทย์จะออกมาแจ้งข่าวร้ายแม่ของเจี๊ยบเสียชีวิตในระหว่างการผ่าตัดเจี๊ยบมารู้อีกในภายหลังว่ารถคันที่แม่นั่งไปประสบอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่รถเมลสายประจำไปบ้านยาย แต่เป็นรถสองแถวที่ขับโดยคนขับรถที่ขาดความรับผิด ช, ชอบคนคนนั้นอยากได้เงินมากๆแต่ไม่สนใจความปลอดภัยของผู้โดยสารแม่ของเจีย๊ยบมาคนสุดท้ายจึงต้องนั่งเบียดอยู่นอกสุดและกระเด็นออกไปไกลเมื่อรถประสบอุบัติเหตุพ่อโกรธคนขับรถมากบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เจีย๊ยบไม่โกรธคนขับรถเลยครบโกรธและเกลียดตนเอง ด้วยว่าเพิ่งเข้าใจว่าเวลาหนึ่งนาทีที่เขาเคยขออย่างพร่ำเพื่อนั้นมีค่ามากมายเพียงไรเพราะหนึ่งนาทีที่ได้มาในวันนี้ต้องแลกกับเวลาทั้งหมดในชีวิตของแม่ถ้าเจี๊ยบตื่นทันที่แม่เรียกถ้าเขาไม่ขอแค่หนึ่งนาทีเพื่อให้ได้นอนต่อแม่ก็คงไม่ตกรถจนต้องไปนั่งรถปีศาจคันนั้นกระทั่งถึงคราวที่เจี๊ยบต้องการเวลาจริงๆเขากลับไม่มีแม้เพียงหนึ่งนาทีที่จะได้อยู่กับแม่ ไม่มีแม้เพียงวินาทีด้วยซ้ำไปไม่มีเลยเธอทั้งหลายเงยหน้ามองเข็มวินาทีอันเล็กๆที่เดินอยู่ในนาฬิกาสินั่นหละคือเวลาในชีวิตของคนเราทันทีที่เธอคิดว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกหน่อยหรือเดี๋ยวเอาไว้ทําวันหลังรู้ไว้เลยว่าเธอกำลังสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปมากมาย คนที่ตื่นแต่เช้ามาทำงานย่อมทำงานได้มากกว่าคนที่นอนตื่นสายอย่างไม่ต้องสงสยัยเด็กที่ทำการบ้านเสร็จมาจากโรงเรียนก็ได้วิ่งเล่นในตอนเย็นกับเพื่อนๆอย่างเต็มที่คนที่รู้คุณค่าของเวลามักได้เปรียบคนอื่นและเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปน้อยมากแน่นอนว่าชีวิตของคนแบบนี้ย่อมปรีเปรมไปด้วยความสุขสมหวังเข็มวินาทีเดินเร็วกว่าจังหวะการหายใจเีอีก ชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นมักมีอะไรเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและบางทีก็เกิดขึ้นเร็วซะจนตั้งตัวไม่ทันเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าวันนี้เราไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่พูดว่าเดี๋ยวและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร เราก็ไม่กลัวที่จะรับมือกับมันและไม่ต้องตั้งคำถามที่ไร้ประโยชน์ในภายหลังไว้ว่าเมื่อวานเรามัวทำอะไรอยู่ Oh, oh, oh.